สมภัทสีองบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในโครงการห น, นึ่งบนถนนอ่อนนุชเป็นบ้านแบบอาคารพาณิชย์สามชัน้นในโครงการมีทั้งหมด40หลังคาเรือนก่อนจะเข้ามาถึงโครงการนี้จะต้องผ่านแน่หมู่บ้านอื่นๆเข้ามาถึง4ี่โครงการหมู่บ้านของเราอยู่ท้ายสุดและลึกที่สุดท้ายหมู่บ้าน จะอยู่ติดกับกำแพงวัดซึ่งสามารถทะลุออกไปถนนสุขุมวิทได้บ้านหลังนี้พอเราเป็นคนซื้อให้ตั้งแต่แรกเริ่มโครงการแม่เราเริ่มย้ายเข้ามาอยู่ตอนปีส8ส่วนตัวเรานั้นยังอยู่ต่างจังหวัดพอเราเรียนที่สมุทรปราการแต่ก็ไปไปมามาบ้างเหมือนกันแม่กับพ่อเราทำธุรกิจส่งออกเลยทำชั้นล่างและชั้นสองของบ้านหลังนี้เป็นออฟฟิศ พ่อของเรามักจะเดินทางไปหาลูกค้าต่างประเทศปีละสองครั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณ15วันช่วงนั้นแม่ของเราก็จะนอนที่นั่นคนเดียวซึ่งห้องนอนของแม่จะอยู่ที่ชั้นสามแม่เรามักจะโทรมาเล่าให้เราฟังตลอดว่าบ้านนี้น่าจะมีผีแต่เราก็บอกไปว่าแม่อยู่คนเดียวคิดมากไปหรือเปล่าเราต้องคอยพูดแบบปลอบใจแม่เพราะแม่เรา ต้องอยู่คนเดียวแบบนี้อีกหลายคืนกว่าพ่อจะกลับมาจนมีอยู่วันหนึ่งขณะที่เรานอนหลับอยู่ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆแล้วจู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังแม่เราโทรเข้ามาหาเราแล้วเล่าด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเหมือนหวาดกลัวอะไรสักอย่างเราเองก็ใจหายคิดว่ามีโจรย่องเข้ามาในบ้านแล้วเราก็บอกให้แม่ใจเย็น แล้วถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ก็บอกว่าเจอเจอเข้าแล้วผีผีผีผู้หญิงเราก็ตกใจรีบถามไปว่าเจอที่ไหนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้หนูนั่งแท็กซี่ไปอยู่เป็นเพื่อนเลยไหมแต่แม่ก็บอกเราว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมามันดึกแล้วอันตรายแม่จะย้ายลงมานอนที่ห้องพระชั้นสองก่อนพอวันรุ่งขึ้น หลังจากที่เราเลิกเรียนเราก็รีบขึ้นแท็กซี่ไปหาแม่เลยคืนนั้นเราตัดสินใจนอนค้างกับแม่แล้วแม่ก็เล่าให้เราฟังว่าเมื่อคืนตอนที่แม่ลงมาดูประตูหน้าบ้านว่าล็อกเรียบร้อยหรือเปล่าเพราะกลัวว่าโจรจะเข้ามาขโมยของเมื่อเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ก็เดินขึ้นบันไดไปยังชั้น3นั่งอ่านหนังสือดูทีวีไปตามปกติ พอสักพักก็เริ่มที่จะง่วงนอนแม่จึงปิดทุกอย่างแล้วก็เข้านอนตอนนั้นแม่รู้สึกว่านอนไปไม่นานก็เหมือนกับฝันฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวคล้ายกับชุดนอนเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วบอกว่าให้ช่วยทำบุญให้หน่อยแม่เราก็ถามไปว่าคุณเป็นใครตายแล้วหรือถึงต้องทำบุญไปให้ผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้เรื่อย เมื่อเธอยิงเข้าใกล้มาเรื่อยๆก็เห็นหน้าตาของเธอชัดขึ้นเธอนั้นดูเหมือนศพที่ตายหงจากการผูกคอตายตาถลนลิ้นห้อยจุกปากแม่เรากลัวมากจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อมองดูนาฬิกาก็เป็นเวลาห้าทุ่มสิบ้านาทีแล้วมันดึกแล้วจะหนีออกไปข้างนอกก็น่ากลัวเดี๋ยวจะกลายเป็นหนีเสือปะาจระเข้เข้าก็เลยต้องนอนต่อ หลังจากที่แม่พยายามนอนต่อก็นอนไม่หลับพลิกตัวไปพลิกตัวมาจนเท้าไปสะดุดอะไรสักอย่างที่ปลายเตียงตอนนั้นแม่เราก็ใจหายแวบเลยเพราะกลัวมากแต่ก็พยายามยืดเท้าไปอีกรอบก็ยังไปแตะโดนอะไรบางอย่างอยู่เมื่อรวบรวมสติลุกขึ้นนั่งเปิดโคมไฟที่หัวเตียงให้ตายเถอะชีแทบจะราดตรงนั้นเลยเพราะผู้หญิงคนนั้น กำลังนั่งหันหลังอยู่ที่ปลายเตียงเธอมีรูปร่างที่ไม่ชัดเจนหนักเหมือนกับว่ากำลังจะเลือนหายไปไม่รอช้าแม่เรากระโดดลงจากเตียงวิ่งลงบันไดามาชั้นสองเข้าห้องปิดประตูเปิดไฟทุกดวงแม่แทบจะหัวใจวายตรงนั้นแล้วไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะมาเจออะไรที่น่ากลัวแบบนี้ในบ้านของตัวเองพอแม่ตั้งสติได้ ก็รีดโทรหาเราในคืนนั้นเลยเมื่อเราฟังที่แม่เล่าจบ ก, ก็อยากจะหนีกลับบ้านมากกลัวก็กลัวแต่ก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนแม่คืนแรกที่เราอยู่เป็นเพื่อนกับแม่ก็ไม่เจออะไรแต่ก็ยอมรับเลยว่านอนไม่ค่อยหลับขนาดจะลุกจากเตียงไปฉี่เรายังไม่กล้าเลยหลังจากนั้นเป็นต้นมาแม่ก็เจอผีมาเรื่อยๆจนต้องเอ่ยปากบอกว่าถ้าคิดจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ ก็ยังมาให้เจอเป็นรูปเป็นร่างเลยส่วนพ่อของเราก็รับรู้เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันก่อนที่แม่จะมาอยู่พ่อก็เคยเจออะไรแปลกๆหลายอย่างแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะเฉยๆเพราะยังไม่เคยเห็นเป็นรูปเป็นร่างแบบที่แม่เห็นพอมาต้นปีพศ2550เราก็ย้ายมาอยู่กับแม่ที่กรุงเทพแม่เราจัดการทำห้องให้เราเรียบร้อย ซึ่งเรานอนชั้นสองที่เคยเป็นห้องพระมาก่อนมาอยู่ไปได้สองสัปดาห์ทุกอย่างก็ดูราบตรื่นเป็นปกติสุขดีแต่แล้วเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองนั้นก็เกิดขึ้นกับเราเมื่อเราเข้าไปนั่งคุยกับพ่อและแม่ในห้องทำงานเรื่องการทาบุญบ้านอยู่นั้นก็มีเสียงดัง เหมือนกับเสียงคนเคาะประตูห้องทำงานแม่เราก็ถามว่าข้างล่างปิดประตูเหล็กหรือยังเราบอกไปว่าปิดแล้วแต่ไม่ได้ล็อกพอนึกขึ้นได้ก็คิดว่าน่าจะเป็นแฟนเราเราจึงตะโกนบอกว่าเข้ามาเลยแล้วเสียงเค้านั้นก็เงียบไปแต่ก็ไม่มีใครเปิดเข้ามาจนเรานั้นต้องลุกเดินไปเปิดประตูด้วยตัวเอง และเมื่อเปิดประตูออกไปสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือความว่างเปล่าเราหันไปถามแม่ว่าได้ยินไหมซึ่งแม่ก็ยืนยันว่าได้ยินเหมือนกันแล้วเราก็เดินกลับมานั่งเสียงเคาะนั้นก็ดังขึ้นมาอีกแต่คราวนี้มันเป็นเสียงเหมือนกับคนเอาฝ่ามือตบมาที่ประตู เราคุนลุกไปทั้งตัวไม่กล้าไปเปิดประตูอีกพ่อเราจึงลุกจากโต๊ะทำงานแล้วเดินไปที่ประตูจากนั้นก็เอื้อมมือไปยังลุกบิดประตูแล้วกดล็อกแถมยังพูดติดตลกอีกว่าผียังมีมารยาทเคาะก่อนด้วยขณะที่พ่อกําลังเดินกลับมาเสียงทุบประตูก็ดังขึ้นมาอีกแล้วก็ตามด้วยเสียงบิดลุกบิดประตูบิดไปบิดมา เรากลัวมากกัมพระหลวงพ่อโตที่อยู่ในมือแน่นวันนี้ได้รู้แล้วว่าขนหัวลุกมันเป็นยังไงแล้วแม่ก็พูดออกไปว่าที่พ่อพูดเมื่อกี้เขาล้อเล่นนะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ลูกสาวตักบาตไปให้นะแล้วเสียงเหล่านั้นก็เงียบไปเหตุการณ์นี้มันทำให้เราเชื่อเรื่องของโลกวิญญาณแบบเต็มร้อยเลย แล้วหลังจากนั้นก็มีเรื่องให้เราได้ขนลุกมาเรื่อยๆจนมาถึงเดือนพฤศจิกายนที่เราย้ายมาอยู่ที่นี่เกือบจะครบปีแล้วเราก็เตรียมตัวจะออกไปลอยกระทงกับแฟนที่วัดมหาบุตรหรือวัดแม่นาคพระขนงขณะที่กำลังเดินลงมาชั้นล่างแม่ก็ตะโกนเรียกเราให้กลับขึ้นมาก่อนจะฝากซื้อของเราไม่ขึ้นไป แต่เงยหน้ามองผ่านขึ้นไปตรงช่องบันไดซึ่งทั้งสามชั้นจะอยู่ตรงกันเราตะโกนขึ้นไปถามแม่ค่อนข้างเสียงดังมากแล้วสิ่งที่เราเห็นตรงช่องบันไดนั้นกลับไม่ใช่แม่แต่เป็นผู้ชายหน้าตาดำปีเหมือนโดนไฟไหม้ยืนชะโงกหน้ามาจากราวระเบียงชั้นสแล้วก็จ้องมองมาที่เราเรากรีดลั่นชีราดกางเกง วิ่งเข้าห้องน้ำล็อกประตูแล้วตะโกนอยู่คนเดียวเชื่อด้วยผีหลอกเชื่อด้วยผีหลอกพูดซ้าๆอยู่ในห้องน้ำอย่างนั้นจนแม่ของเราต้องวิ่งลงมาข้อห้องน้ำเรียกเราออกมาวันนั้นจากที่จะออกไปเที่ยวลอยกระทงจึงต้องยกเลิกไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้เราและครอบครัวตกลงใจกันว่า จะทำบุญบ้านกันเสียทีเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดมาก็ได้เลิกทำบุญบ้านพ่อเราก็เอาคนที่พ่อนับถือมากมาดูบ้านให้ซึ่งคนลุงคนนี้เขาเก่งเรื่องดูชะตามากเมื่อลุงแกมาดูก็บอกว่าให้ทำบุญแบบนั้นแบบนี้เอานั่นมาติดเอานี่มาแขวนแล้วแกก็ยืนยันว่าบ้านหลังนี้ มีดวงวิญญาณอาศัยอยู่ด้วยจริงเพราะว่าข้างหลังบ้านเป็นคลองเป็นทางน้ำไหลผ่านมาจากคลองหน้าวัดหรือจะเรียกง่ายๆก็คือทางผีผ่านแล้วลุงแกก็บอกอีกว่าที่นี่ไม่สมควรมาอยู่เลยจริงๆแถวนี้ไม่น่ามาอยู่เลยพ่อกับแม่เราก็รับฟังที่แกพูดเพราะถึงวันทำบุญบ้าน เพื่อนๆที่ทำงานของพ่อและแม่ก็มาแล้วมีพี่คนหนึ่งซึ่งเขาค่อนข้างสนิทกับแม่ขณะที่กำลังนั่งฟังพระอยู่นั้นแกก็เดินเข้ามาหาแม่เราแล้วกระซิบบอกว่ามีคนพูดอยู่ข้างหูอยู่ตลอดเวลาทำใครพระโล้ทาไมกูไม่ชอบกูเกลียดหมูสามชั้นเอาวิเททิ้งพี่แกพูดจริงจังมาก แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ลอเล่นแม่เราจึงถามว่ายังได้ยินเสียงพูดอยู่ไหมแกก็บอกว่ายังได้ยินอยู่แล้วก็ยังเป่าลมเข้าหูด้วยเหมือนจะยอกรอเขาเล่นเพราะถึงเวลาตักอาหารให้พระยายเราก็พูดเสียงดังมากว่าทำไมไข่พะโลที่พึ่งทาไปได้ไม่ถึงชั่วโมงถึงบูดหมดมันบูดจนขึ้นเป็นฟองเลยแล้วก็เหม็นบูดมาก ยังกับของค้างคืนมาสามวันไม่มีผิดเมื่อเปิดฝาหม้อพะโลสำหรับแขกขึ้นมาดูกลิ่นบูดกระชวยหึงออกมาแรงมากพี่คนที่ได้ยินเสียงคนกระซิบก็พูดออกมาเลยว่าหนูบอกพี่แล้วเขาพูดทิ้งท้ายก่อนพระจะสวดเสร็จเดนะว่ากูไม่พวกมึงก็ไม่ต้องวันนั้นก็เลยไม่มีใครได้กินไข่พะโลเลย เมื่องานทุกอย่างจบพ่อเราก็ยังนั่งดื่มนั่งคุยกับแขกที่ชั้นล่างของบ้านอยู่ส่วนแฟนเราก็ช่วยเก็บของต่างๆและพรมที่เอามาปูก็ต้องยกไปเก็บที่ชั้นสามในห้องโชว์เราไม่อยากขึ้นไปเลยแต่ก็ต้องยอมขึ้นเพราะแฟนเราและเพื่อนคนอื่นๆรวมแล้วหกคนก็ขึ้นไปด้วยต่างคนต่างหิ้วของที่ต้องนาไปเก็บเราก็เดินไป ท่องนโมไปบอกเลยว่าเราไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้อีกแล้วกลัวมากๆหลังจากที่เอาของเก็บหมดแล้วก็ปิดไฟพอจะเดินลงบันไดเท่านั้นแหละเสียงผู้ชายแก่ๆก็มาพูดข้างหูเราเลยว่าอีหนูนโมเหรอกูมไม่กลัวหรอกเราหันไปข้างหลังทันทีก็เห็นเงาดำลักษณะเหมือนคน กำลังเดินเข้าไปในซอกชั้นผ้าตัวอย่างแล้วก็หายไปถึงแม้ตอนนั้นไฟจะถูกปิดแล้วแต่ก็พอมองเห็นได้และเรามั่นใจมากว่ามันใช่แน่ๆไม่รอช้าเรารีบวิ่งลงบันไดไปเลยพอคนอื่นๆเห็นเราวิ่งมันก็วิ่งตามเสียงวิ่งลงบันไดพร้อมกันหกคนดังสนั่นลั่นบ้าน จนคนที่นั่งดื่มกันอยู่ข้างล่างตกใจกันหมดเช้ามาเราขอแม่ออกไปเช่าห้องอยู่เองแต่ออกไปอยู่ไม่ไกลกันมากเท่าไหร่ซึ่งบ้านเราจะเข้าซอยอ่อนนุช44แต่ห้องเช่าจะอยู่ซอย46ตลาดยิ่งเจริญเราย้ายมาอยู่ที่ห้องเช่าตลอด3ปีแต่ตอนเชา้าเราก็ไปบ้านหลังนั้นเหมือนเดิมเพราะต้องช่วยงานครอบครัว ตกเย็นเราก็กลับไปห้องตลอดเวลาเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่บ้านเราก็เกิดขึ้นแบบต่อเนื่องทั้งหลอนมากหลอนน้อยแล้วแต่เหตุการณ์จนแม่เราพูดว่าธรรมชาติสร้างความเดือดร้อนแบบนี้จะแช่งจะด่าไม่ให้ไปผุดไปเกิดเลยเวลาล่วงเลยผ่านไปจนมาถึงปี 2,554 แม่เรา ก็ซื้อบ้านเดี่ยวหลังใหม่อยู่เส้นอ่อนนุชเหมือนเดิมซึ่งเป็นโครงการอยู่ข้างๆไพรส์นีอ่อนนุชแล้วก็ซื้อตึกอาคารพาณิชย์ใหม่อีกเอาไว้สำหรับทําเป็นออฟฟิศเป็นอาคารสี่ชั้นระหว่างที่รอย้ายก็ตกแต่งไปเรื่อยๆแล้วคืนหนึ่งก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นทาให้เริ่มลังเลใจที่จะย้ายออกคืนนั้นแม่เราหลับไป ก็ฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งผมหยิกใส่กางเกงตัวเดียวนั่งอยู่บนตักพระประธานในโบสถ์เขามาขอให้แม่เราทำบุญให้บอกว่าแม่เราเป็นคนใจบุญเห็นแม่เราชอบทำบุญขอให้ช่วยเขาด้วยแล้วแม่เราก็สะดุ้งตื่นพอเช้ามาแม่เราก็เรียกเรามาคุยขณะที่นั่งคุยกันอยู่นั้นก็มีผู้หญิงใส่ชุดผิวลม รวบผมเดินผ่านเครื่องหลังแม่แล้วหายเข้าไปตรงมุมห้องข้างโต๊ะในห้องทำงานซึ่งเป็นแบบนี้เวลาเดิมที่เดิมมาสองปีแล้วเห็นกันจนชินหลังจะคุยกันเสร็จก็ชวนกันไปทำบุญที่วัดแถวชนบุรีพอไปถึงวัดเมื่อเห็นพระประธานแม่ก็นึกขึ้นได้แล้วไปถามพระพระท่านก็เล่า ว, ว่าโยมเห็นผู้ชายคนนั้นหรอ ผู้ชายคนนั้นเคยเป็นสปัปเหร่ออยู่ที่นี่แต่ตายไปนานแล้วเพราะแกล้มหัวฟาดกับพื้นห้องน้าปกติแกจะเป็นคนชอบเขาไปขัดถูพระประธานในโบสถ์อยู่เสมอลูกเมียก็ไม่มีแม่เราก็งงว่าทำไมฝันถึงเขาก็เลยขอสร้างพระประธานถวายแล้วอุทิศบุญกุศลให้แกลุงคนนั้นแต่พระท่านบอกว่า ที่นี่มีพระประธานแล้วถ้าจะสร้างถวายก็ให้นำไปถวายให้กับสำนักแม่ชีตรงข้ามวัดก็แล้วกันแล้วแม่ก็รีบดำเนินการเลยเมื่อถึงวันที่นำพระประธานมาก็มีลุงคนหนึ่งแกมีร่างทรงของปู่อะไรสักอย่างแกเดินมาทักว่าถ้ามึงคิดจะโยกย้ายอะไรให้เลิกคิดก่อนถ้าบ้านมึงจะย้ายให้ย้ายปีห้าหก ส่วนที่ทำงานย้ายต้นปี6 0พอแกพูดจบ ก, ก็ถามกูขอน้ำดำกินหน่อยได้ไหมซึ่งก็คือแปปซี่นั่นแหละแม่เราเลยขอเบอร์แกไว้ด้วยแล้วแม่เราก็นัดแกอยากให้มาดูที่บ้านหน่อยเมื่อนัดวันกันแล้วแม่เราก็ไปรับแกถึงที่พอมาถึงที่บ้านของครอบครัวเราแกก็เหมือนมีร่างปู่มาลงแล้วแกก็เดินขึ้นบันไดไปชั้นสาม พอไปถึงแกก็บอกว่าทุกห้องทุกชั้นที่ติดกับคลองหลังบ้านมีผีมาขออาศัยอยู่เป็นสิเพราะเป็นทางผีผ่านแล้วแกก็เดินไปรอบๆห้องพูดเสียงดังและหน้าเกรงขามว่าวันนี้กูมาโปรดไม่ได้มาปราบแต่ถ้าพวกมึงยังไม่หยุดมึงไม่ไปกูจะมาปราบส่วนเรื่องการย้ายบ้านกับออฟฟิศใหม่ก็ยังคงเป็นปีห้าหก แล้วหเหมือนเดิมที่ลุงแกบอกให้อยู่ที่นี่ก่อนเพราะจะมีเงินทองมากมายไหลมาเทมาทำอะไรก็ดีก็ลุ่งไปหมดซึ่งมันก็จริงอย่างที่แกบอกส่วนเรื่องผีก็ยังคงมีให้เห็นเหมือนเดิมแต่มันก็กลายเป็นเรื่องปกติของเราไปแล้วเมื่อถึงปีห้าหกแม่ของเราก็ย้ายเขาไปอยู่บ้านหลังใหม่ส่วนเราย้ายจากห้องเช่ามาเช่าคอนโดใกล บ้านหลังเดิมก็ยังคงเป็นออฟฟิศอยู่ช่วงนั้นเราหาซื้อสุนัขมาเลี้ยงไว้ที่ออฟฟิศเอาไว้นอนเฝ้าในยามดึกกลางวันก็มาเล่นกับมันแต่พอเรามาเปิดประตูเข้าบ้านทีไรมันก็จะวิ่งนำหน้าไปที่ชั้นสองแล้วหยุดยืนหน้าบันไดขึ้นชั้นสาจากนั้นก็เฮาแบบบ้าคลัง่งเหมือนเห็นอะไรบางอย่างซึ่งเป็นแบบนี้ทุกครั้ง จนมาถึงปี 2,559 ก็เกิดเหตุการณ์สยองขึ้นอีกขณะที่เราเริ่มทยอยย้ายของออกจากออฟฟิศเก่าไปออฟฟิศใหม่ซึ่งวันนั้นพ่อกับแม่ของเราไม่ได้ไปด้วยเราก็เลยต้องนั่งเล่นอยู่ออฟฟิศคนเดียวกับสุนัขเวลามีโทรศัพท์มาก็รับใครมาวางบินเราก็เซ็นอย่างเดียวแล้วจูๆ่ๆสุนัขของเราก็วิ่งขึ้นไปบนชั้นสอง เห่าเหมือนเดิมจุดเดิมแต่เราก็เฉยเฉยเดินขึ้นไปเรียกมันลงมาแต่คราวนี้สิมันดังวิ่งเข้าไปในห้องนอนเก่าของเราเราก็เดินตามไปไปเปิดกระจกหลังบ้านมันก็วิ่งออกไปกระโจนโพหน้าออกไปทั้งลูกกรงเหล็กดัดมองตรงนั้นทีมองตรงนี้ทีแล้วมันก็วิ่งออกนอกห้องย้อนไปเห่าจุดเดิมอีก เราก็หันไปมองแต่ทีนี้มันเห่าแล้วค่อยๆเดินถอยหลังกลับมาถอยไปเห่าไปจนกลับเข้ามาในห้องนอนอีกครั้งแล้วก็ถอยเรื่อยๆเหมือนกับว่ามันเดินหนีอะไรบางอย่างแล้วมันก็หยุดเห่าเปลี่ยนกายมาเป็นขู่สุดท้ายก็ร้องหงิงหงีงหังหดวิ่งเข้ามาหาเราแล้วเอาหน้ามาสุกเหมือนกลัวอะไรสักอย่าง ทีนี้เราก็เริ่มขนลุกแล้วขานีสั่นไปหมดเรารีบพูดไปก่อนเลยว่าอย่ามาให้เห็นแบบน่ากลัวนะอยู่กันสงบสุขมาตั้งนานแล้วจะมาอะไรกันอีกลูกนี้จะไปทำบุญให้นะพูดยังไม่ทันจบผูห้หญิงใส่ชุดยาวสีขาวผมปละบ่ามีเลือดสีแดงสดบริเวณหน้าอกก้มหน้าลอยมาจากหน้าห้องน้ำ มาหยุดที่หน้าห้องนอนเราแล้วก็หันเลี้ยวเหมือนจะขึ้นชั้นสามเราช็อกมากเพราะวิญญาณดวงนี้เราไม่เคยเห็นเลยแถมมีเลือดด้วยมันสยองมากหัวใจเราเต้นแรงหายใจไม่เต็มปอดน้ำตาไหลออกมาไม่หยุดยืนอึ้งขยับไม่ได้พูดอะไรไม่ออกพอเธอคนนั้นพ้นประตูไป ประตูห้องนอนก็ปิดเองทั้งเราและหมายืนอึง้งมันน่ากลัวสุดๆเราร้องไห้ลั่นเลยแต่ทำยังไงได้มีเพียงเราอยู่กับสุนัขของเราเท่านั้นในตอนนี้เขารวบรวมสติได้ก็เดินไปจับลูกบิดประตูแล้วพูดกับน้องหมาว่าพร้อมนะเปิดแล้ววิ่งเลยนะอย่ามาเบียดกันละ่ะเดี๋ยวตกบันได เข้าใจแล้วนะพอเราเปิดประตูปุ๊บมันก็ใส่เกียร์หมาทันทีเราวิ่งตามมันมาติดๆหุงออกไปอยู่หน้าบ้านเลยไม่กลับเข้าไปอีกแล้วก็รอจนพ่อกับแม่มาพอแม่มา เราก็เล่าทั้งหมดให้ฟังแม่เราก็บอกว่าใช่ฝันเห็นเมื่อคืนเขามาเข้าฝันพอตกดึกเราก็กลับคอนโดคืนนั้นเราฝันเห็นว่าเธอคนนั้นมาขอร้องว่าอยากขายบ้านหลังนี้ไม่อยากให้คนอื่นมาอยู่เธอบอกว่าเธออยู่มาก่อนแต่ไม่เคยออกมาให้เห็นเพราะสภาพแย่มากกลัวจะอยู่กันไม่ได้ ซึ่งตอนเข้าฝันนั้นเธออยู่ไกลเรามากแต่เสียงที่เธอพูดนั้นดังชัดเจนมากเราก็บอกว่าไม่ได้ครอบครัวเราได้ที่อยู่ใหม่แล้วยังไงก็ต้องขายเธอจึงบอกกับเราว่าเธอให้โชคมาตลอดตั้งแต่ครอบครัวเรามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้เธอก็มาเข้าฝันบอกลอตเตอรี่ทําให้เรากับแฟนถูกหวยกันมาตลอด ทุกงวดติดต่อกันถึง6เดือนจนเจ้ามือไม่อยากจะรับแทงแล้วแล้ววันหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็มาบอกว่าถ้าเราย้ายกลับมาอยู่ไม่ปล่อยให้บ้านร้างไม่ปล่อยขายเธอจะทำให้เราถูกรางวัลใหญ่แต่เราก็ยังไม่รับปากสุดท้ายเราก็บอกกับแม่ว่าเราจะไม่เช่าคอนโดแล้วเสียดายเงินแต่เราจะกลับมาอยู่ที่นี่แทน แม่เราก็ถามว่าไม่กลัวแล้วเหรอเราก็บอกไปว่าจะอยู่กันกับแฟนและสุนัขเราไม่กลัวแล้วแต่แม่ก็ยังยืนยันที่จะขายเพราะลุงที่เคยมาดูบ้านให้ทั้งสองคนก็บอกให้ย้ายเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงไม่กล้าบอกแม่ว่าได้หวยจากผีตนนั้นปัจจุบันเราก็ยังอยู่ที่นี่ และยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสุดท้ายขอยืนยันว่าเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงและสถานที่นั้นก็มีอยู่จริงคุณอยากจะมาซื้อต่อเราไหมละ่ะ 审判使用。